สู้ความรุงเรืองทั่วกันดำคูต้นโตสู้แดดผนไม่วันออกดอกช่อนั้นแน่งบ้านงาตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู้ยังท้องถิ่น บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัาน บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสาัทธา ดีคับท่นผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกท่านเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับว่าอากจะหากจะทําอย่างใรกันบ้างนะครับซึ่งก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์อะไรต่างๆกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอาการ เปลี่ยนเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเบีย้ยคนชร า, านะอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเรามีการแก้ไขระเบียบนะแทนที่จะมีการจ่ายเบีย้ยคนชร า, าแบบท่วนหน้าคือคนอายุเกิน60จะได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรวยจนนะครับก็จะมีการารัฐบาลรักสาการนี้ก็มาปรับว่าจะให้มีเกณฑ์นะครับให้สำหรับคนยากจนคนที่มีไรายได้อาจจะไม่ได้ นะซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งตรง น, นี้ก็คงจะต้องติดตามดูนายสันติพร้อมพัดซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคลัง ก, ก, ก็บอกนะครับบอกว่ า, า, าการประชุมคอรมอบันที่15ที่ผ่านมากเกื่องการการปรับเกณฑ์คุณสมบัติาการแจกเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะต้องไปดำเนินการนะโดยเฉพาะนะประเด็นที่จะไม่มีผลย้อนหลังนะคือคนที่ได้รับสิทธิอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นีนะ่ก็ต้องดูนะครับนะกรณีที่มีการปรับปรุงเรื่อนไขสิทธิการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุโดยส่วนตัวของนายสันติพร้อมพัดซึ่ง เป็นน้ำตีช่วยคลังก็ไม่เห็นด้วยที่จะประปรุงเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ํานะครับนะระหว่างคนสูงอายุ ด, ด้วยกันนะครับนะ ก, ก็เป็นความเห็นของล้ำตีช่วยนะน้ตีช่วยคลังนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องไปดูรายละเอียดในเกณฑ์ต่างๆนะว่าจะจะจะเป็นอย่างไรนะครับนะซึ่งตอนนี้ไนดะ้อย่างอย่างอย่างที่บอกแล้วครับนะว่าในส่วนของ นะรูปแบบของการจ่ายนะแบบท่วนหน้านี่ก็จะเป็นแบบขั้นบันไดคือจ่ายทุกคนที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปอายุ 60-69 ก็จะจ่ายหก0บาทอายุเจ7 9เจก้าก็จะจ่ายเจ็ร้อยบาทและอายุ 80-89 กนะก็ก็จะจ่ายแป0รอายุ90าปีขึ้นไปก็จะจ่าย1000บาทนะครับนะซึ่งก็ได้รับกันท่วนหน้า นะผู้สูงอายุก็ได้รับสิทธิ์บตอนนี้ก็มี11ล้านประมาณ11ล้านคนใช้งบประมาณประมาณ 71,000 ล้านบาทนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่ก็ในส่วนงบประมาณปีปีหน้าปี267ก็ตั้งงบไว้ที่ประมาณ 90,000 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องไปไปดูนะครับา จ, จะมีการปรับหรือไม่หรือว่าหลายส่วนก็บอกว่าอาจจะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่นะที่กำลัง อาจจะมีการฟอร์มกันขึ้นมาหรือไม่นะครับว่าตอนนี้นี่คงจะต้องคงคงจะต้องดูนะครับมาตรา ก, การเพราะว่ามีมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากนะมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าจะกระทบกับผู้สูงอายุนะครับนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอการามาพิสูจน์สิทธิ์นะครับนะซึ่งผู้สูงอายุหลายคนน่ถ้าไปทำไร่ทาสวนเล็กๆน้อย นะฮะไปขายยังตลาดมีไรายได้เล็กๆน้อยๆนี่ถ้าถูกตัดสิทธ์ก็จะทําให้ลําบากแลนะครับในการประกอบอาชีพเพราะบางคนนี่อาจจะเป็นการทําอาชีพค้าขายเล็กน้อยนะไม่ได้ทํากําไรมากนะถ้าถูกตัดสิทธินี่ก็จะกระทบเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องดูให้ละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์ต่างๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของเบีย้ยของผู้สูงอายุรับฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่เราจะมา พูดมาคุยกันฟังเพลงครับท่านผู้ฟังครับฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็จะคุยกันต่อครับ วันเพ็ญหอมเป็นสีไอ้ขอฝากพักน้องฝากไมตรีโปรดสงสารปานีแลเห็นใจไอ้ีีจากบ้านน้ามาน้องวังระของความมาให้สดใสยัยนแต่น้องคนดีก็เห็นใจดือตีว่า ย, ยากจน มไอ่จะหาเงินทองไปขอแต่งกระดองแพงไอ่พ้อจะไปขอ พร้อมคืนนั้นทุกสามวันพบในงานผ้าป่าสามมาคียงโผ่สาแหลบันนาะาสวยเด่นดังประจันวันเพ็ญหอมเป่งสีไอ้ขอฝา ก, ากน้องฝากไมตรีโอดสองสารปานีแลเห็น ใส่านแต่น้องคนดีโ็เห็นใจดูตีตวายากจนคนบอมี คุยกันต่อไปนะครับในช่วงนี้นี่เราก็จะเห็นว่ า, านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการฟื้นนะฟื้ น, านาการท่องเที่ยวของเราให้ให้กลับคืนมาแล้วก็นําเงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งจากรายงานขาน่าวดีกรมธุรกิจนะครับได้มีการเปิดเผยนะครับกเกี่ยวกับเรื่องของ การท่องเที่ยวนะระบแ่ส่วงท่องเที่ยวเนี่ยก็บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมามาเ Subs, ที่ยวในบ้านเราเนี่ยมากนะโดยเฉพาะทางจีนทางอินเดียทางมาเลเซียสิงคโปร์นี่ก็เข้ามาทางใต้นะครับทางจีนนี่ก็มาได้ทั้งทางอากาศแล้วก็มาทางราวรถไฟหลืวจีนนำมาลงบ้านเรากันมากนะครับนะแล้วก็มีในส่วนของในส่วนของนักท่องเที่ยวทางทางมาเลเซีย shelf, ma, น Uganda, ี้ก็มา เที่ยวในเมืองไทยนี่มากอยู่แล้วนะที่ตลาดที่สำคัญก็คือ India. อินเดียอินเดียนี่มีประชากรพอๆกับจีนนะครับพันกว่าล้านนะก็นิยมมาเที่ยวเมืองไทยมากนะครับนะเพราะว่าทั้งวัฒนธรรมและความใกล้ชิดนะครับทั้งในส่วนนี้นี่ก็มามาเที่ยวในบ้านเราเนี่มากเลยทีเดียวเราก็จะเห็นนะครับนะเพราะามีความสัมพันธ์กันทั้ง ศา ส, สนาพุทธด้วยศา ส, สน า, าพราหมณ์ฮินดูอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนอินเดียก็นิยมมานะแล้วก็เที่ยวตามเมืองท่องเที่ยวหลักๆนแครับนะทั้งในส่วนของภูเก็ตนะในส่วนของพัทยานะแถวแถวภาคตวันออกระยองบ้างอะไรต่างๆบ้างแล้วก็รวมทั้งเชียงใหม่นะก็เข้ามานะครับโดยเฉพาะคนจีนนี่ก็นิยมนะเชียงใหม่แล้วก็กุงเทพมหานคร ซึ่งเราก็จะเห็นว่าในบางย่านนะของของกรุงเทพนี่นะครับนะก็หลายคนบอกว่ามีแต่ร้านค้าร้านอาหารของจี น, นเต็มไปหมดแถวๆห้วยขวางแถวสุทธิสารและต่างๆนี่ก็คนจีนอาศัยมาทำธุรกิจกันอยู่หนานแน่นนะครับนะก็ทำให้มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารการท่องเที่ยวเนี่ยกันกันมากนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ ก็คงจะต้องมีการควบคุมกันให้ดีนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของมีการเปิดลับกันมากนี่เราก็จะมีปัญหาอาชญากรรมนะก็มีการแกล้งอะไรต่างๆกันมากนะตอนนี้ที่ที่ประสบเหตุกันมากก็คือแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกนะคนไทยเราโดยเฉพาะให้โหลดแอปของอที่กำลังดังของกกมที่ดินนะของในส่วนของกัดแบงคางต่างนะให้มีการหลอก ชาวบ้านนะให้ลงาดาวน์โหลดแอปมาลงแล้วก็มีการดูดเงินซึ่งก็เห็นอยู่นะครับนะแม้แต่พิธีกรผู้สื่อ ข, ข่าวก็โดนเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงอาจจะต้องมีการาปาปามซึ่งตรงนี้นี่บัญชีมานี่เป็นประเด็นปัญหาหลักแหละครับนะเพราะว่าบางครั้งนี่คนร้ายนี่ก็มักจะหลอกให้ชาวบ้านนี่ไปเปิดบัญชีธนะนาคารแล้วก็ไปขายให้กับแก๊งพวกนี้นะ เล่มละห้าหบาท600บาทนะแต่ว่าเวลาถูกดําเนินคดีนี่ก็จะถูกลงโทษหนักเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะฝากไว้ว่าชาวบ้านอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้เปิดบัญชีมาอนี้ก็มีมีความผิดนะก็มีมีเรื่องของการดูดเงินเนี่ยมากันเป็นระยะนะตามหน้าของสื่อต่างๆนะครับนะนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ฐาน ของแก๊งอาชญากรรมก็ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะแต่อาจจะเป็นกรรมัมพูชาแต่ควา ม, มา่าเฮลลาวบ้างนะครับนะก็ไปตั้ ง, งศูนย์วิชาการแล้วให้คนไทยเราไปฝึกไปพูดปลอมเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆบ้างแล้วก็โทรมาเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามีเบอร์แปลกๆโทรมานี่ก็ต้องระวังนะครับนะก็อย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อที่จะต้องไปทําตามคอนเซ็นเตอร์นะที่สั่งนะซึ่งตรงนี้นี่ก็มี มีความซับซ้อนกันทุกวันนะขึ้นทุกวันเลยทีเดียวเราก็จะเห็นข่าวนะครับนะรวมทั้งการเรียกค่าไทยนะี่นะหลอกนักศึกษาไปขังไว้ในโรงแรมแล้วเรียกค่าไทยก็ยังมีนะแก๊งส่วนเทอค mm. อเซนเตอร์อินนัเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องอมีการปราบปรามกันนะครับนะก็คงค ง, ต, งต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในส่วนของอาการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการ ท่องเที่ยวนี่ก็ตอนนี้นี่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านโดยอาศัยเส้นทางคมนาคมนี่ก็สาคัญที่เราเริ่มที่จะมีการทํารถไฟรางคู่นะครับนะไปเชื่อมในส่วนของภาคตะวันออกมาท่ากีสารนะเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงปานกลางนะจากไทยไปลาวจากลาวไปจีนนะครับนะนะเชื่อมต่อเน็ตนส่งทั้งนักท่องเที่ยวทั้ง ผลพืชผักผลเกษตรนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับนะเราต้องมีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมนะกันนะครับนะในการที่จะติดต่อข้าขายนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะซึ่งไทยเราคงจะต้องเร่งที่จะพัฒนาก็มีหลายเส้นที่เริ่มเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มที่เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องกระตุ้นนะในการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะทั้ง กัมพูชาบ้างทั้งลาวบ้างพมา่าแล้วก็ที่สาคัญก็คือจีนนะครับนะเพราะเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวรายใหญ่เหมือนกันก็คงจะต้องมีการเชื่อมโยงพัฒนากันต่อไปก็ฝากทุกฝ่ายในการที่จะช่วยเหลือนะในการส่งเสริมร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งไทยเรานี่ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่แล้วนะครับต้องช่วยเหลือกันในทุกคนละครับนะสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึง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 ความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไม่เจ้างามป่านว่านางไอไอกระไดชายาพาแดงไทยบ้านว่าหมอสมเป็นศิลป์สองตอนอ่อนเทียให้งเพิ่ง อ, อยากเห็นเขาหาเขาแผลบองแยงกันหอดฟังฟัน แต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลาเพใไ้ฮักเขาห่างป a าโชคชะตาผ่าจากกันเขาว่าน้องนางไอมีคนป้อนไขเด็กเขาพาควันจนมีลูกมีเต้าน้ำกันอายนั้นจำต้องเพจใจ เมื่อบุญบังไปไอายยังกำได้อยู่ริมน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นไปย้อนตำนานผ้าแดงนางไอยด้วยสัญญาสิบอกให้ลมคือนองหานใหญ่จักซาตดผ้าแดงนางไอยสิหา ก, กันไปเอายตา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 หากศาดผ้าแดงนางไยสิหากกันไปบอวาวสายแนี่ยคิดกดคือเก่าแม้หากสองเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยัดถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนายสิจูดบังไฟแล้วฝากคำไปบอกขยา่าแทบผ้าแดงยัง ยังเคนรอ